พึงรู้จักหัวใจธรรมะเพื่อปฏิบัติได้เป็นประจำข้อปฏิบัติโดยสรุปในที่นี้ก็คือพระพุทธภาษิตซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแท้จริงมีอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นท่านศึกษาคนใดมีความสนใจว่า หัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดที่มีมากมายทั้งพระไตรปิฎกนั้นมันสรุปได้ประโยคเดียวว่าอย่างไรแล้วก็โปรดทราบไว้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองท่านสรุปว่ามันอาจจะรวมลงไปเหลือเพียงประโยคเดียวว่าสัพเพ ธ, ธรร ม, มานาลังอภินิเวสายะประโยคนี้ประโยคเดียวเท่านั้นแปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นว่าตัวกู หรือขอขงกูนี่ถ้าเราไม่ยึดมั่นสิ่งทั้งหลายที่เป็นอะไรก็ตามว่าเป็นตัวกูหรือของกูแล้วมันไม่ไปเห็นแก่สิ่งนั้นแล้วไม่เห็นแก่ตนใจก็เป็นอิสระจากกิเลสก็มีสติปัญญารู้ว่าควรทาอะไรไปอย่างไรมันจึงทาถูกหมดไม่ทำผิดพอเราเกิดไปยึดมั่นว่าตัวตนของตนเท่านั้นมันก็ทำไปด้วยความเห็นแก่ตน มันก็ผิดหมดเพราะเกิดเบียดเบียนตนหรือผู้อื่นขึ้นมาทันทีนี้เป็นยอดหัวใจของพุทธศาสนาที่มีเพียงเท่านี้ถ้าถูกชาวต่างประเทศหรือใครถามว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาสรุปว่าอย่างไรจงตอบเขาให้ถูกว่าอย่างนี้อย่าได้ไปตอบอย่างอื่นซึ่งว่าเอาเองคนชั้นหลังว่าเอาเองส่วนที่พระพุทธเจ้าท่านว่าไว้เองนั้นว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าให้รู้ก็รู้ข้อนี้ถ้าปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติข้อนี้ถ้าได้ผลมาก็ให้ได้ผลมาในฐานะที่เป็นผลของการปฏิบัติอย่างนี้คือไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวกูหรือของกูนี้ให้มีอยู่แต่สติปัญญาที่รู้ว่าควรไปทำอย่างไรแล้วเรียกว่าจิตว่าง